การหัดคิดหัดใจให้เป็นสมาธิหรือที่เราเรียกว่าเอกค้าตารมมีอารมณ์อันเดียวเช่นเรากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออก ก็ให้ตั้งสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็มีปกติของมันอย่างนั้นคนเราไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยังมีอยู่ให้ใจของเรา แน่วแน่มั่นคงอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทำอยู่ไม่นานจิตก็ต้องรวมเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวหรือเรียกว่าเป็นสมาธิคือจิตใจตั้งเที่ยงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบกิดเทือนเช่นเสียงอะไรต่างๆเลานีเป็นต้นจิตใจของเราก็สงบ ใจสบายใจเป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวการหัดใจให้มีอารมณ์เดียวนั้นก็ต้องมีเครื่องอยู่หรือมีสิ่งที่ยึดไว้ก่อนเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้คิดนึกเรื่องอื่น เรื่องต่างๆที่กระทบกระทบมาหรือถูกกระทบมาจิตใจของเราก็จะวิ่งไปหาเรื่องนั้นทีนี้เราไม่เอาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเราไม่เอาเอาอยู่ที่อารมณ์อันเดียวมีใจเป็นหนึ่งเท่านั้น ให้คอยสังเกตดูลมเวลาลมเข้าเราสามารถกำหนดรู้ได้ไหมเวลาลมออกเราสามารถกาหนดดูรูเห็นไหมรู้สึกว่าลมเข้าลมออกไหมถ้าเรามีสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกอยู่ก็แสดงว่าเราทำสมาธิเป็นแล้ว ลมเข้าเราก็รู้ได้ลมออกเราก็รู้ได้จิตใจของเราตั้งเที่ยงตักมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นหรือเรื่องใดๆทั้งสิ้นจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเห็นลมเข้าเห็นลมออกองั่นแหละถ้ามันชํานาญดีแล้วก็เห็นลม หายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้หาดอย่าเนี้ให้เห็นลมเข้ายาวให้เห็นลมออกยาวมันจะเป็นสายขึ้นมายาวขึ้นไปหายใจเข้าก็ยาวหายใจออกก็ยาวนี่ แตีว่าวิธีหัดสมาธิถ้าหายใจเข้ายาวก็รู้ได้สามารถกําหนดรู้ได้อันนี้เรียกว่าทําถูกทําเป็นที่ที้ก็ทําต่อไปอีกไปหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเรามีสติเห็นลมของเราอยู่ตลอดมีสติเห็นอยู่ตลอดตลอดเวลาไม่ว่าหายใจเข้า ไม่ว่าให้ใจออกก็ให้มีสติอยู่่างนั้นตลอดให้คอยดูคอยสังเกตดูเวลาลมเข้าเราสามารถกำหนดรู้ได้ไหมเวลาลมออก เราสามารถกำหนดรู้ได้ไหมถ้าเรากำหนดรู้ได้ก็เรียกว่าทำถูกแล้วทำเป็นแล้วในอิทยาบททั้งสี่เราสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเขาได้ยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตาม เราสามารถรู้ลมหายใจของเราได้ลมเข้าเราก็รู้ได้ลมออกเราก็รู้ได้สั้นยาวเราก็รู้ได้อย่างนี้ เ, เขยว่าเามีความชำนนาญส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้หนึ่งเราได้สมาธิแล้ว สองเราได้ปัญญาเมื่อมีสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาวิปัสสนาเห็นไปในตัวตนของเราหนิประกอส่วนต่างๆเข้ากันอันนี้เป็นกระดูกแขนอันนี้เป็นกระดูกมืออันนี้กระดูกหลัง อันนี้กระดูกซี่โครงเราเห็นชัดอันนี้กระดูกขาอันนี้กระดูกแข้งอันนี้กระดูกเท้าอันนี้กระดูกมือเราสามารถให้ใจของเราอยู่กับเรื่องเหล่านี้ได้ไหมถ้าเราทำได้ ใจของเราก็จะสูงขึ้นคือสมาธิหรือใจของเราที่เป็นสมาธิอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกจะละเอียดเข้าไปอีกจะสามารถรู้เห็นความตั้งขึ้นความเสื่อมไปในกายนี้ความตั้งขึ้นเราก็รู้ได้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองกายนี้มาจาก สิ่งที่เรียกว่ากรัชกายกายที่เกิดแต่น้ำมาเป็นกระดูกมาเป็นเนื้อเป็นหนังมาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ให้เราพิจารณาอย่างนี้จิตของเราจะดีขึ้นไปอีก ตั้งเที่ยงตั้งมั่นขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตตัวตนของเราเพราะเราเกิดมาจากวัตถุธาตุอันเล็กนิดเดียวแล้วใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาเกศลาหลังคตหลังโกง พอเก่มาอะไรอะไรก็ตามมาหมดความคิดไข้ได้ป่วยเป็นนั้นเป็นนี่โลกนั้นโลกนี่สารพัดอย่างเพราะมีกายานี้มันถึงมีโลกต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาหักมาปฏิบัตินี่เป็นการส่งเสริมจิตใจของเราให้สูงส่งเป็นมนุษย์อยู่กวาสูงส่ง เหมือนเป็นเทวดาจิตใจมีสุขอยู่ตลอดแต่เราตายไปเราก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดาเพราะจิตของเราเป็นสุขคนที่จิตเป็นสุขนั้นเพราะว่ามีศีลในตัวไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสองร้ยีบเจ็ด สินสิบสิลห้าสินแปดสิน 8, สิบสิสอง้ยยีสิบใครรักษาได้ส่วนไหนก็ เ, เป็นความดีประจำตัวของคนนั้นเราถือสินแปดได้ก็ เ, เป็นความดีของเรา เราทำไว้มากเราก็ได้บุญได้กุศลมากมีความดีมีความสุขมากไม่ตกตับมีความสุขกายสุขใจถ้าเราตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดให้สังเกตดูจิตใจของผู้นั้นสูงส่ง มีเมตตากรณามุทิตาวเบิกามีวิหารมีพบมาวิหารเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยนี่แหละไม่ใช่ว่าการที่เรามารักษานี่มันมันยังน้อยแต่อันดีจริงวมันไม่น้อยแม้ขณะคิดเดียว เรามีใจอยู่กับลมหายใจหรือมีสมาธิอยู่หรือมีศีลอยู่เรารักษาศีลอยู่แม้น้อยนิดเดียวก็ตม่มตายไปปุ๊บไม่ไปทุกขติเลยไปสวรรค์เลยไปสวรรค์เลยไปสู่ที่ที่มีความสุข ในธรรมบทกล่าวว่าพวกโจรห้าร้อยเข้าไปป้นบ้านทีชาาบ้านตื่นตัวพร้อมกันถืออาวุธมีท่อนไม้มีอาวุธหอกดาบวอสู้ต่อสู้กับพวกโจรโจรเห็นทางไม่ดีวิ่งเข้าป่า จนห้าลอยหาทางหลกกบกะอาจจะหนีชาวบ้านที่ติดตามข่ายตามไปแต่พวกโจรไม่รู้จะอาศัยอะไรมองเห็นพระองค์หนึ่งท่านทำเพียนในป่าก็เลยเข้าไปขอท่านขอให้ท่านเป็นดีพึ่ง ที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีศีลเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกเลยขอศีลจากพระพอพระให้ศีลเสร็จพวกชาวบ้านที่ตามไล่มาก็มาทันพอดีจนห้าร้อยรับศีลเสร็จแล้วถูกชาวบ้านประหารเลย ไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้กับชาวบ้านเขาฆ่าหมดทั้งห้าร้อยคนจนห้าร้อยตายหมดเป็นโจรเป็นขโมยมันทำไมจะไปสอนได้มันก็ไปในโลกเลยแต่นี่พอได้รับสีนห้าเพียงเวลาชั่ววิทเดียวเขาก็ตามมาทันแล้วเขาฆ่าหมดเลย จิตใจของทุกโจรทั้งห้ารอยนั้นไปสู่สุขติสวรรค์หมดเลยร่างกายที่สูขฟันเขเปื่อยเน่าไปแต่จิตใจของตั้นเหล่านั้นตั้งอยู่ในศีลก็เลยไปสู่สุขติหมดทุกคนมาถึงชาติปัจจุบันคือในชาตินี้เลย ก็ได้มาลงว่าเกิดเป็นลูกของชาวพมงผู้ที่เป็นหัวหน้าโจรก็อยู่กับนายหัวหน้าอู่เกิดที่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าชาวพมงเลยก็ไปเกิดในที่นั่นหัวหน้าโจรไปเกิดที่นั่น ลูกน้องโจรทั้งหลายก็ไปเกิดตามบ้านชาวปงงันเลยพอเจริญวัยขึ้นก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมในที่สุดก็ได้พ้นทุกข์กันทุกคน ดูสิอำนาจของศีลนะศีลมันเขงมีค่ามีคุณไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเราตั้งใจรักษาโทษห้าอย่างเวนห้าอย่างนี้ให้ได้ก็เป็นมูลิกุศลแล้วถ้ามาถึงถือศีนอุโบสถหรือถือศีลแปดยิ่งกว่าเสื์ขึ้นไปกว่า น, นั้นอีก ดูสิเพียงแต่รักษาศีลไม่ถึงสิบนาทีตายไปพุบไปสวรรค์มดเลยอันนี้สงของศีลน่ถ้าถึงว่าศีลนันสุขัดปิญญติง ศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งสุขคติคือท่าที่ไปที่ดีเรียกว่าสุขคติมาเกิดเป็นเศรษฐีบ้าเศรษฐีเป็นคนมีเงินมีทองล้ำรวยมีบ้านมีเรือนมีที่อยู่อาศัยมีใจดีมีความสุขนอกจากนี้แล้วยัง ได้มากได้ผลได้ความสุขความเจริญโภคสัมปทามีโภคมากสีเลนสุขติงยันติสีเลนโภคสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติศีทเป็นเหตุให้ถึงซึ่งมากผลมีผ่าน นักคนที่ผ่านคืออะคือความสุขกันละเอียดอ่อนลงไปกว่า น, นี้สุขที่เราได้อยู่นี่ยังยังไม่ถึงแต่เราทําความสุขให้เปิดให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ความสุขก็ละเอียดขึ้นไปสบายขึ้นไปดีกว่า น, นี้นี่แหละให้ตั้งใจ รักษาศีลศีลในเปื่ของดีศีลให้ความสุขแก่เราได้คนก่อนจะตายถ้าได้รับศีลห้าจากพระได้รับศีลห้าตายในขณะนั้นก็ไม่ไปสู่ทุกขติแล้วไปสวรรค์เลย นี่อันนี้สงที่ว่าเรารักษาศีลแล้วให้สุขยังไงให้เกิดโพคะยังไงให้ถึงมากผลนิผานยังไงถ้าคนไม่มีศีลก็ไม่ถึงพะ น, นิพพานพลนิพพานมันดียังไงพะนิพพานก็นิพพานังปารังสุขังนี่พะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าเรารักษาศีลก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่รักษาศีลก็เข้าถึงไม่ได้ให้รักษาศีลให้ดีคนจะมีเงินมีทองร่ำรวยก็เพราะมีศีลคนจะถึงความสุขได้เพราะมีศีลคนจะถึงมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีล ให้ตั้งใจรักษาศีลรักษาให้มันดีใจะให้มันผิดวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ดีประเสริฐแล้วถ้ารักษาได้ตลอดไปนี่โอ้มันก็มีเศษอย่างพานก็ไม่ศีล ศีล220เบียดข้อต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลจึงจะมีความสุขใจจึงจะบรรลุมรรคผลได้จึงจะมันมนะม่นคงอยู่ได้ในธรรมวินัยของพระเจ้านี้หรือในศาสนาของพระเจ้านี้ สินห้าสินแปดเป็นสินคารวาสินสิบเป็นของสามเณรสิสองร้อยยี่สิเอ็ดข้อเป็นของพระภิกษุส่วนภิกษุณีนั้นรักษาสินสามร้อยสิบเอ็ดข้อรักษาสินสามรอยแต่ภิกษุณีหมดไปแล้ว ไม่มีอุปชาไม่มีพระใคบวชให้อีกแล้วหมดหละผู้หญิงที่จะบวชเป็นภิกษุณีไม่มีแล้วเราก็ถือได้เฉพาะสีนห้าสินแปดเท่านั้นไม่ใช่ภิกษุณีภิกษุณีศิน ส, น ส, 200, ส, ส, นสองร้อยสาภิกษุณีศสามร้อยสิบเอดข้อพระพุทธเจ้าต้องการให้เราถึงมาโคดี้ผ่าน จึงสอนให้รู้จักทานสอนให้รู้จักศีลสอนให้รู้จักภาวนาก็คือให้หัดใจของเรานี่แหละให้เป็นศีลไม่ใช่มาแบกมาหาไว้หรอ ก, ก็คือมาขอใจของเรานี่ตั้งต่อศีลไม่ทำให้ผิดศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตาม เราได้อานิสงส์เทวดาวองค์หนึ่งสถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพอดีพร ะ, พระท่านมาดใูใกล้มาปากอยู่ตร้นั้นงันเสร็ เทวดาตัวนั้นก็แสดงชีวิตให้ปรากฏให้พวกภิจูรรนเห็นแต่ว่าการรักษาศีลขอ้อมูของผู้นี้เป็นรักษานานนะรักษาเพียงตอนเย็นไปถึงตอนเช้าเนี้ เขายังได้เป็นเทวดาอี่านอนาถาวิทิกาเศรษฐีเนะี่ยมีคนเยอะมีคนชายคนหนึ่งไปไถานาตั้งแต่ข้าวเลยไปไถานาไปทับนาอะก ยังไม่กินข้าวเลยทั้งวันพอมาบ้านเศรษฐีอ้าต่างคนต่างก็ดิ้งอยู่ไม่เห็นใครพูดกันต่างคนต่างก็ดิ้งเข้าสมาธิอยู่คนใช้ก็เลยถามว่าอ้าทำไมคนในบ้านนี้ถึงเงียบสงบไปหมดแม้เด็กๆ ก, ก็ไม่มีเสียงรบกวนกันเลย วันนี้เป็นวันโวโสวดเขาถือศีลกันหมดทั้งบ้านเลยผู้หลุดผู้ไถนาคนนั้นก็อย่างข้าพเจ้านี่จะรักษาศีลได้ไหม น, นาถวาินิกเศษตีก็ได้รักษาได้ เขาก็ตั้งใจรักษาศีลไม่กินข้าวเลยข้าวยังไม่ได้กินนะรักษาศีลเลยสมาทานศีนลก็รักษาเลยพอตกกลางคืนมาดึกมาเนี่ยร่างกายมันไม่มีอาหารทั้งวันมันลดทนได้พอรักษาศีลเสร็จพอตกดึกมาลมในท้องก็เกิดขึ้น ตายเสรเลยเพราะความหิวนะ่ยตายแหละตายแล้วก็ไปเว้นเทวราอยู่ต้นไม้ต้นหนึง่งพระเห็นอาการนั้นแล้วจึงไปการาบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังเขาก็เข้าใจพระทัานั้นก็เข้าใจก็ได้บรรลุมรกคผลไปาต่ามกัน อย่างนี้สงที่เกิดขึ้นเพียงรักษาศีลขึ้นวันเนู้อนิดหนึ่งจากหัวขับจนถึงเที่ยงคืนตายไปนี่ยังไม่เป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้บุปผาเทวดาคิดดูสิไม่ต้องไปไหมในอบายภูมิไม่ต้องไปตกนลกอันนี้สงของศีลมีมาก มีม嘛แต่ตั้งแต่รักษาสี่งถ้าเรายิ่งได้หัดสมาธิยิ่งประเสริฐขึ้นไปถ้าใจเรามีสมาธิใจเราก็มีความสุขมากมากกว่ารักษาสิ่งถ้าใจเราได้บรรลุมากผลใจเรายิ่งละเอียดขึ้นไปสุขละเอียดขึ้นไป จนถึงควาอรหันต์ละเอียดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจสุขเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเพราะจิตเราได้รับคุณธรรมหรือเรเบลุมารมาผดแล้วจะมีความสุขตลอดอันนี้ นี่แหละทานก็นให้ทำเกิดมาถึงจะร่ำรวยมันไม่ไปให้ชาติก่อนพบหน้า เ, เราตั้งใจทำความดีเมื่อไหร่ให้ทานเมื่อไหร่ทานก็จะเกิดอริสงขึ้นมาในขนาดนั้นทีเดียวตายไปแล้วก็ยิ่งได้อริสงมากขึ้นได้สวยสุขมากขึ้นนี่ ่ให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทานไว้อย่าประมาทให้รักษาศีลไว้อย่าประมาทให้หัดสมาธิวิปัสสนาไว้อันนี้เป็นยอดเลยต้องทาเราเกิดมาถือว่าเราโชคดีโชคดีที่ได้ว่าเกิดถึงมนต์ ธนวกิจโฉมนุสบาติลาโภการที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาบอนันประเสริฐลาบก็คือสิ่งได้มาอนันประเสริฐจะทําดีเท่าไหร่ก็ได้เป็นมนุษย์จะให้ทานก็ได้จะรักษาศีก็ได้จะภาวนานก็ได้ได้มดจะทําความดีเต็มที่ ให้พารณดูการรักษาศีลมีอนิสงฆ์ให้ทามมีอนิสงฆ์ภาวนามีอนิสงฆ์ให้ความสุขแกเราทุกอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้พบพระพุทธศาสนานี่เป็นโชคลาภอันประเสริฐของเราแล้วพระพุธเจ้าตัดไว้เป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของเรา ที่เราจะทำความดีให้สูงส่งขึ้นไปได้ออกมาทำที่เป็นมนุษย์นี่แหละทำดีทำงามอะไรต่างๆรักษาศีลกินเกปฏิบัติทำมาเป็นบุญงามความดีมาทำได้ในมนุษย์นี่แหละทำได้เต็มที่เลยจนสามารถไป ร, รูุมากคว่านิพพานน่นอย่างเรา ปฏิบัติได้จนเป็นพระสวดาบันนี่ใจเราก็มีสุขแล้วเห็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในแล้วถ้าเราได้สกิทาคามีเรายู่ละเอยียดขึ้นไปกว่า น, นั้นนี่สูงส่งขึ้นไปกว่า น, นั้นนี่ราคะโทสะโมหะเบาบางในใจของเราเราคะโทสะโมหะเบาบาง แ้่นาคามีก็ประหยดขึ้นไปไม่มีความขัดเคืองปฏิฆะไม่มีราคะก็ไม่มีผู้แบบมันอ่อนกำลังกิเลสพวที่อ่อนกำลังแบบ ถ้าถึง อ, อาระหันก็เละอยากหมดทุกอย่างหายเจ้าก็มีความสุขหายเจอก็มีความสุขอยู่ยังไงก็มีความสุขให้รักษาให้ดีให้รักษาจีลให้ดีจะถึงความสุขความเจริญได้ถ้า ร, ารักษาศีลจะมีความสุขกายสบายใจ ให้คิดดูอย่างนี้สีเลนโเสโภกัสมบัตสีท้่เกิดโฟกัสลองพิจารณาดูสิถ้าเราลักสีสารสีนั่นในกองโภคะอันยิ่งใหญ่นี่แหละเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รักษาสีน่น ออกจากบ้านเราไปเอาค้อนตีหัวคนตายเลยอะไรจะเกิดไปเขาก็จับไปใส่พุกใส่ตารางไว้หรือประหารวิวทิ้งไปไม่มีโอกาสทำบุญทำโอสถไม่มีโอกาสทำความดีได้เลยเขาไปฆ่าทิ้งแทนนะ น, นไม่ฆ่าเอาไปขังไว้ก็เสียเวลาทำมาหากินนั่น เสียเวลาความคคุณงามความดีคนได้มีศีลอยู่ไม่เป็นสุขนะจิ้ใจไมเป็นสุขหรอไม่เป็นสุขถ้ามีศีลมีความสุขถ้ามีศีลก็มีโพคามากถ้ามีศีลก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผล น, นะที่จาน่าลงว่าที่ตัวเรานี่แหละ ตัวเรานี่แหละเป็นหุ่รักษารักษาแทนกันไม่ได้รักษาศีลแทนกันไม่ได้ทําสมาธิแทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้เลยเราทําเองของเราเราทํำของเรา ถ้ามีศีลและโพค่าเกิดไหมเกิดอย่างคนนำมาหากินโดยชอบไม่ทำความเสียหายแล้วก็เจริญแล้วก็มีความสุขแต่แลรถ้าเราทาชัว่วทำบาปมีความสุขไหมไม่มีความสุขตายแล้วเป็นยังไงตลลัวรกถ้ามีศีลแล้วเป็นยังไงมีความสุข ตายแล้วเป็นยังไงไปสวัสดนะมันเปลี่ยนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรารักษาศีลอยู่นี่เราได้อ น, นี้สศกอันนี้ใหญ่ร้อยคนพันคนจะมีสักคนหนึ่งที่ตั้งใจรักษาศีนจริงอันนี้ต่ะกาคาดการเราร้อยหนึ่งจะมีสักคนหนึ่ง ก็ทั้งยากที่ตั้งใจจะมารักษาศีลหรือว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลทำอาหารกินในศีลไม่มีเขาไปถามนลวงพ่อชาบว่ารักษาศีลแล้วมันจะได้กินอะไรคุณมาก็จะไม่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ฆ่าผู้ฆ่าปลาไม่ฆ่ากบฆ่าควายจะกินอะไรจะได้กินอะไร น้อครูชาตอบว่าได้กินศีลน่ยก็ได้ความสุขแหละได้ความสุขความเจริญก็กินศีลต่อถ้ามีศีลเราจะมีโฟข้าัพท์ได้ยังไงมันจะมีความสุขได้ยังไงอย่างคนที่ไปเที่ยวหาข่าคนตามบ้านตามเมือง คนเป็นร้อยเป็นพันในหมู่บ้านนี่เทนุไทยเข้ฆ่าหมดมันเจ๊้สุขที่ไหนล่ะเยอะก็ถูกเขาฆ่าทิ้งเงี้ยตายไปไรค่าไรประโยชน์เพราะอะไรตายไปแล้วไปไหนไปในโลกเลยใครไปจิตของเราเราไปถือล่างไหนถือส ม, มุติล่างอันนี้แหละ เหมือนมีตัวตนร่างกายมีเต็มหมดทุกอย่างอย่างนี้ท่านท่านจึงให้รักษารักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มความเค็ม ใส่น้อยเนือนก็เข็มใส่มากก็เข็มคือมันรักษาความดีของมันคือมันรักษากลมเข็มเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันให้รักษาความดีเหมือนเกลือรักษากลมเข็มตั้งใจทําไปทาไปนจนตลอดชีวิตของเราอิหละ อายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีตายตายแล้วไปไหนมีศีลก็ไปสุกติมีทานก็ไปสู่สุกติมีปฏิบัติธรรมก็ไปสู่สุกติเป็นอย่างนี้ ผู้ที่พูดให้ฟังให้พวกเราฟังให้พวกเราคิดให้พวกเราพิจารณาแล้วให้ตั้งใจทำความดีอย่าประมาทในวัยและชีวิตในความไม่มีโรคภัยเบียดเบียนให้รีบเร่งทำความดีไวให้มาก ถึงแม้เราจะเกิดในภายหลังคือไม่ได้เกิดในขณะที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เรามาเกิดในเวลานี้ขณะนี้าศาสนาธรรมเขาสอนของพระพุทธเจ้ายัางมีอยู่เราก็สามารถปฏิบัติตามได้อยู่สามารถทำความภากความเพียรสามาถ กศาสินสามารถบำเพ็ญคุณงามความดีอะไรต่างๆได้หมดคำสอนพระเจ้ายังดีอยู่ยังดีอยู่ยังไม่เสื่อมสูญไปไหนเลย 80, 000, แปดมืนสี่พันธรรมขันต์ตั้งอยู่ในตู้นั่นแหละร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเล็บ นี่เล่มใหญ่ๆอ่านใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนยังจบเล่มหนึ่งอันนั้นคือคําสอนของพุทธเจ้าที่เราจะเอามาศึกษาปฏิบัติกันอย่างเราทําอยู่นี่เราทําถูกต้องแล้วนะนี่ถูกต้องตามคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราทําถูกแล้วสมัยพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็ปฏิบัติตามนี้แหละ หลักคำสอนอันนี้เหละอันเดียวกันพระอนุนีความสามารถมากสามารถจำข้อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แปด0มืนสี่พรนพระธรมะรมขันธนะ์จำได้หมดเอวามีสุตังเอกังภควานะ่ข้าพระเจ้าได้ยินมาอย่างนี้ ได้ฟังมาอย่างนี้ได้เรียนมาอย่างนี้จากครูที่เจ้าวันที่ทำสังคา ย, ยนานะปฐมสังขายานาคือรวบรวมพระธรรมคำสอนของครูทีเจ้าไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการตัดออกไม่มีการเพิ่มเข้า แม้พระมห า, ากรสปะท่านจะเก่งขนาดไหนท่านก็ไม่เพิ่มท่านก็ไม่ลดแม้แต่อวบเล็กน้อยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านก็รักษาไว้หมดเขาเรียกว่าบันทึกคำสอนลงในหัวใจของแต่ละคนแต่พระแต่ละองค์ที่เป็นพระอารหันต์กีนาสสปฏิสวิทาสีอภิญญาหก มีธิรปฏิหารกิ่งกะสามารถพระอาจาเจ้าเหล่านั้นได้รวบรวมคำสอนของผู้ที่เจ้าไว้พาดนได้สวดให้ทุกท่านทุกองฝังจำไว้ช่วยกันเกิดมาสัมคา ย, ยนาครั้งที่ห้าจึงได้บันทึกคำสอนเอาไว้จะได้เขียนลงใบลานาไว้ คำสอนที่เหลือมาจนถึงพวกเราปัจจุบันนี้มากมายให้ลองคิดดูที่ทำสมาธินี่สอนไว้เมื่อกันนี่เราก็ลองดูดูลมหายใจของเราดูเราเห็นไหมเราเห็นลมหายใจไหมถ้าเราเห็นลมหายใจ แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าฝึกสมาธิแล้วนสมาธิใครเป็นคนได้เราเป็นเองเป็นคนได้คำสอนที่มีในตู้เราอ่านหมดทุกเล่มแต่เราไม่รักษาศีลเลยจะมีประโยชน์อะไร แต่ถ้าเรารักษาถึงแม้จะจำไม่ได้หมดทั้งร้อยหนึ่งเล็บน่เราจำได้หมดเรารู้หมดแต่เราไม่รักษาสิ้นเลยไม่ให้ฐานเลยไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารยเกิดสมาธิมาผลีผ่านเลยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยา มีแค่เาเป็นผู้สื่อสารและบันทึกคาสอนไว้เ่อย่างไม่เป็นประโยชน์ของเราเต็มที่ถ้าเราเอามาปฏิบัติมันก็เป็นของเราเต็มที่เป็นของที่ให้ความสุขแก่เราเต็มที่เราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เหมือนกันกันกบคำพุทธกาลคือในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงเจริ พระพุติเจ้าตรัสว่าการที่จะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้เครื่องหอมเครื่องยอบเครื่องรูปไายต่างๆทุกอย่างดอกไม้ทุกชนิดหอมขนาดไหนก็ตามเอาไปบูชาพรุติเจ้าพรุทธเจ้าว่าว น, นี้ยังไม่ใช่บูชาแท้แต่ถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยพระพุติเจ้าเนี่ยเช่นรักษาศีลให้ทาน เทาความภาคควาเพียรภาวนาอันนี้ถือว่าบูชารพรุทธเจ้าอย่างแท้จริง่ว่าได้นับถือพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนี่แหละก็ได้อะไรก็ได้ความสุข คนจะได้ความสุขก็ต้องตั้งใจทำความดีถ้าไม่ตั้งใจทาความดีจะได้ความสุขอย่างไรถ้าตั้งใจทำความดีแล้วยัมได้ความสุขให้ทานไว้ก็เป็นผลของเราเแหละเกิดชาติไหนพบไหนที่เรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เกิดชาติไหนพบไหน เราก็มีความสุขไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จดเพราะอะไรเพราะเราได้ทำทานไวบริจากไว้นั่นคือสมบัติของเราถึงไม่ได้เขียนชื่อประกาศก็เป็นคุณสมบัติแท้จริงของเราที่เราได้ปฏิบัติตามนี่แเพราะฉะนั้นการทำความดีก็คือการให้ทานมันเป็นประโยชน์ของเรา เราถือเอาสมบัติของโลกนี้ไปได้เอาไปอยู่ที่ไหนก็เอาไปได้เอาไปเกิดที่ไหนก็เอาไปได้เอาความดีเหล่านี้ไปได้ถ้าเราไม่ทำไม่รักษาเราจะอะไรเป็นความดีของเราเกิดนาที่ว่าเป็นราบ เ, าเป็นเสริด เ, เป็นราบที่ตรงไหนเสริ์ที่ตรงไหนพะถ้าเราไม่ ป, ปฏิบัติตามแล้ว จะเอาอะไรมาเป็นตัวเครื่องประเสริฐจะมาเอาอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดความประเสริฐทําให้เกิดความดีขึ้นมาได้ไ ม, ไม่ไได้ถ้าไม่ทําเอาไม่ได้ต้องทําเอาต้องทําไว้สมบัติของเราที่มีอยู่มากมายเราจะว่าเป็นของเราโดยแท้จริงมันเป็นเพียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชากนี้พกนี้ ด้วยบุญกุศลที่เราเคยสั่งสมมาถ้าเราไม่ทําต่อชัตินหน้าพวกหน้าเราก็บุญกุศลของเราก็อ่อนลงถ้ามาเกิดเกิดเป็นคนยากคนจนไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีที่ทํามาหากินไม่มีความสุขพูดิ่ง่ายไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเราทําความดีไว้ เราได้ความสุขเราได้ความเจริญเราได้ความดีงามเราทําความดีไว้ให้กับเราเองเราอย่าคิดว่าเออเราตายแล้วลูกหลานจะทําบุญให้จะไปคิดเขาจะเอาเงินมาจากไหนเขาจะ อ, าอะไรมาเป็นเครื่องทําบุญทําเขาจะให้ทานนย่เขาทําก็เป็นเรื่องของเขาเขารับได้เขาไม่อุทิศให้เราเราก็ไม่ได้ เราจะรอไปกินทานให้เขาอุทิศให้อย่างนั้นนี้โอ้ยจะไปคิดเลยว่าเขาจะทำให้เราเหลานี่แหละทาของเราเองมันถึงได้บุญได้กุศลของเราเองได้ความสุขสำรับชีวิตเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยการให้ฐานไว้โดยการรักษาสิ่ไว้โดยการภาวนาไว้จึงจะมีความสุขหาความสุขด้วยการปฏิบัติธรรม